หนึ่งร้อยนิพพานเป็นทิฏฐธรรมลืมตาเห็นในปัจจุบันเห็นไหมว่าแม้จะสำ ม, มาทิฏฐิแล้วปานชนีก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแล้วได้บรรลุนิพพานกันง่ายๆทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิห้าที่พระพุทธเจ้าตรัส ไม่ว่าจะเป็นกามคุณห้านี้หนึ่งหรือชานหนึ่งสองสามสี่นี้อีกสี่รวมเป็นห้านี้แหละที่จะต้องสั ม, มาทิชีให้ได้จึงจะทั้งเป็นปัจจุบันและทั้งเห็นได้แมจะรู้กายได้แต่ดับเหตุที่จะมีกรรม และดับเหตุที่จะมีฌานในขณะที่อยู่ในกามาวจรอันเป็นปัจจุบันไม่ได้ก็ไม่สามารถบรรลุนิพพานบริบูรณ์แน่นอนมีก็แต่นิพพานเก๋จริงๆเมื่อนิพพานมันก็เก๋แล้วสมมติสัจจะที่ไม่มีแก่นวิมุติ มันจะเหลืออะไรก็ดังที่มันเป็นและเห็นเห็นกันอยู่แต่นั่นแหละคนจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นนิพพานว่าเก๊หรือแท้มันไม่ใช่เรื่องสามัญอัตมาก็ได้แต่อธิบายไปตามความจริงใจเท่าที่มีภูมิจะพูดความจริงได้ ด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มีอากุศลรจิตใดๆในการอธิบายนี้เลยแม้แต่การสู่รู้พูดเกินที่รู้ความจริงที่มีนิพานของพูทนั้นมันไม่ใช่หลับตาเห็นหรือหลับตาบรรลุมันต้องบรรลุกันอย่างรู้รอบท่วนพร้อม ในขณะลืมตาเห็นเห็นตามบาลีว่าจากคุมาปรินิพุโพตินี้คือหลักฐานที่ชี้ชัดยืนยันมีหลักฐานที่ไหนจากตรงไหนบ้างที่ยืนยันชัดเจนว่าผู้บรรลุนิพพานนั่งหลับตาแล้วบรรลุในขณะหลับตาหามาดูซิ ตามหลักฐานที่ยืนยันกันได้ในพระไตรปิฎกเห็นมีแต่ลืมตาบารรลุในขณะได้เห็นได้ยินได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสกายอยู่ทั้งนั้นขอยืนยันว่านิพพานเป็นทิฏฐธรรมลืมตาเห็นลืมตาบารรลุกันในปัจจุบันทั้งนั้น ไม่มีใครหลับตาบรรลุหรอก